พระธรรมเทสนาหมโหสดจาดกจอมปราดแห่งมิถิลาภูติสี 4. ฟังแล้วเกิดพญาปัญญาปราหืฉลาดเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับปื้นเมืองโดยป่ออินสมชัยชมพูป ร, รียนทำพวกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจวัดเจียงไย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธ h ấ สัสมหมวะเจตังตังภาวะติงสุตปาริโยสาสานังเปเสสีติ สาธบดุราสะปุริาตั้งาลตั้งยิงใจใหญ่น้อยใจไปห้อยกุศลอันจากน้ำตนไปรอดเพียงแกอนยอดนรรปานจิงละการมวลหมอันมีอยู่เกหาปากันมาแต่เจ้านั่งอยู่เฝ้าฟังธรรมจุงดาจำติดต่อ สามบาทขอบาลิวาีวาโสมหามัจโจดังนี้เป็นตนบัตนี้แด่เตอโ <c oughs> สมหามัจโจอันวาม า, าทผูนใหญ่อันเต้าใส่ไว้ต่างตามาิจารณาพอเฝ้าตั้งแต่เก้าเดิมตี หันนอมูนีน้อยนาทู่จาาตัดความปุ่นดีอ้ำลายแหลกคือกวรหือต่ไหลผ้าการก็ส่งข่าวสารไปไว้ซึ่งเต่าไทยวิเตหราชาใครขี่าจุสิงเือแจ้งยิงตามมีเจ้าปุรีวิเตหราชก็เรียกเซนักนักผาดมาปัน่น <c oughs> แล้วใครปันเก่าอู่เฮมันหูจูผักการเสนกคาอาจารย์ผู้เท่าก่อก้มเก่าทุนสาวกุวรอราทาพอปิจารณาต่อเือนไปบอกก ว, วรไว้ริพาวนำมาอยู่ดาวห่อในเจ้าห่อใจยศใหญ่กอดักไว้ตามกำและนะา ต่อปารังทัดนันไปไปนาตนเจ้าฟ้าบิเทหราจาพิจจารนาคกิดเหล่าว่ากวรจักลองภาญาเจ้าบุญมี ว่าจักจบดีแจ้งจอดหูไวขว่รอสันได้จริงเร็วไวแต่งใจเอจังไม่กะตํามเปลี่ยนเขียนไม่ตะเขียนอันเก่าบอกหูหตั้งเก่าและปยขือบหนึ่งไมเป็นขานาดแล้วเฮ อ, อามาเตรียมใจรีบนำไปเก่าตาแก่เจ้าบ้านป่าจินยะวามัจจกาม ว่าไม่เหล่างามนี่เหล่าต่างใดเป็นเก้าเป็นปลายกันบ่หมายหูใดอาจญาไทยมีมาหื้อนำคำขาหลายหลากปันหนึ่งหากเป็นพมานเป็นปันนาการทวายเต้าด้วยรีพาวเรียวปันคนซุ้มกันพอก้อยตั้งใหญ่น้อยนิ่งใจ ไอ้บ่อหมายหูใดจริงฮือพระติวัยพิจารณานอปุทธาสั้นพอก่อแจ้งต่อใจตนจักฮือคนมวนหมู่ใดพำหูหันใส จรงเอาเส้นใหม่มัดไว้ตัดกลางตอนไม่เสอมอกันแล้วเรียวพันจุ่มนำไขบอกซ้ำตอวไปว่าไปใดจมก่อนย้ำเราย่อนลงไป อย่าสงสัยแต่เล่าไปนั่นเป็นเก้าดีดีฟุงคนมีหนุ่มเท่าเนี่ยตามเจ้าบุญภายกอกฎหมายหูได้จริงรีไปไวทุนสา คือภาญ่ยศใหญ่หูแจ้งไข่ตามมีเจ้าปุรีทำที่ฮือเสียงตีสงสัยว่าเป็นคนใดนั้นเล่าหูตั้งเก่าและปตันตั้งลายหากรู้หรือภยอัยเก่าไขปันเขาก่ออภิวันก้มเก่าว่าลูกแห่งเจ้าเศรษฐี พญอดีฉลาดจื่อมโหสุดน้อยนาดกุมมารได้ไขาการจี้จองหื้อแจ้งส่งหันไสเจ้าหอใจวีเตหาราชก็เรียกเสนาการนักผาดมาทำบะกวนนำใจรามน้อยอ่อนมาไห้บนผังกา หรือคกวรรอราทาพอเสืบติดต่อยาวไปมันก็คขบอกเล่าว่าบอกกวรเต่าเจ้าหอจันจักเรียปันรีพาวนำมาไววดาหอน ควนโลดใจท่าพอสืบติดต่อเมื่อนานเต่าผู้บ้านบิเตหราชเจ้าผาสาะพังกาฟังมันจากเก่าลวดยังอยู่ตามคำกอมิหันและนะ ทัดนั้นไปบอ่จ้าตนเจ้าฝ้าหอใจก็ทรงหัวคนไปแถมเล่าเป็นหัวคนตายเก่าท่งหัวว่าบัดนี่ตัวกูเตา้าตนผาบดาวปาราญินสังการไลายแลฮือสัวแกเร็วไว้ว่าหัวอันใดนั้นเล่าเป็นหัวเก่าคนใจ ว่าได้หมายที่แจ้งว่าเป็นหวยแห่งคนยิงกันบ่สมคันิงกูเต้าคือสูบบอกเก่าไรปันได้หั่นแจ้งทีหมดเสียงตีสงสัยจกมีสินใหม่ลายหลากปันหนึ่งหากเป็นทาราคนไหลามาจู่ดานการอยู่ในบ้านบัชาการ ตั้งเร้วรำน้อยใหญ่ปิจารณาไขจูคนคนตันใจตนจูผู้ย้อนบอกหูหันใส จ, จริงจะไขบอกเล่าเฮแก่เจ้าบุญมีนอมูนีบุญใหญ่หัวแจงไขสับปันก็ไ ข, ขปันเก่าเฮเขาหูตามรายว่าตันตั้งลายจุงพอยังห้อยต่อติดกัน กันห้อยต่อมันหากซื้อก็จุงหือกฎหมายว่าเป็นหัวคนใจแต่ใส่บ่อนได้พิพันกันห้อยมันกดเกี่ยวเวียนแวดเลี้ยวไปมาหือสัญญาที่แจ้งว่าเป็นหัวแห่งคนยิ่งเจ้าบุญปิ้งก่าวจี้หือแจ้งทีตามราย คนตั้งหลายบนหมต่างจื่นสู่เจยบ้านสาทุการซาเหรีไปไวเตา้าปาราคาบทุนสาบอกเล่าตามคำแห่งเจ้าจูภักการตาโอภูบานยศใหญ่ทำบาสูหูไขจอมกันหรือไขไข่ปันเก่าอืสูตามราย เก็ทาวายกรมเก่าบอกเต้าเจ้าตามีเจ้าปุรีธิราชก็เรียกเสนา ก, กนักพาดมาทำบาควนนำใจรามน้อยนาดมาอยู่ภาสาทอไนเรียกวรรอไปแถมเล่ามันก็กรมเก่าทุานสาวาควรรอราอยู่ทา พอวันนานยาวไปเจ้าหอใจยอดซอยก็ตามทอยกำมันก็มีหันและนะทัดนั้นไปบจ่จ้าตนเจ้าฝ้าหอใจก็ทรงปัญหาไปแทมัยเป็นงูใหญ่สองตัวว่าสูยากรือยาน คือเจ้าบ้านป่าจินยาบวมัดจากกรมตั้งเร็วรา่าเท่าแก่บอกคือแน่หันใส่วางูตัวใดเป็นปูบอกคือหูมาไวงูตัวใดเป็นแม่บอกคือแน่สัต์จังกันสูญงจะอยู่ย้อนบอกหันใส่คือนำสินไม้หลายลาก มันคำหากเป็นทาราเรียบนํำมาถวายเต้าตนภาพดาวหอ่อคำขนนาํำแวดไก่พองูใหญ่สองตัวต่างแกงหัวจูผูย้อนบอกโอตามมจิงไขวาตี้บอกเล่าแกน่นอพระเจ้าทรงยาน มหโหสถกุมมหน้อยนอสัตตาพอบัดเด้วก็จ่าเรียวหูว่างัวตัวผูนันนาหัวและตาแควนใหญ่ซอยคอเกี่ยวไข่เติ่งกันห่างแหงมันนันไซดูยาวใหญ่นำนางูตัวแม่นันนาหัวและตาบอดใหญ่ซอยคอบ่อไข่เติ่งกัน ห่างแห่งมันหากโน้ยสูจุงพอก้อยตามรายแล้วไปท้าไวากมเก่าบอกเต่าเจ้าตามกำคนดานํำมว้วนหมูกกวาดหูบัดเดียวก่อรีเรลียวไปไหวซึ่งเต่าไทยผู้บ้านขาบทุนสันเก่าแก่ เออแจ้งแน่ห hmm? ันใส่เจ้าห่อใจทาเล่าว <t> ่าจุมส <t> ู่เจ้าตั้งหลายหากกฎหมายหูใดตั้งแต่ไทยเดิมมาเรือภัยจากกาอูฮือสูหงตามีเขาก่อไขว่าตี้บอกเล่าแก่เต้าเจ้าจูพักการเต้าผูบานวิเตหราช ก็เรียกเสนาการนักผาดมาปันแล้วทำมันไทมเรล่าว่ากวนนำเจ้าบุญมีหัวผญาาดีฉลาดมาอยู่ภาษาถอใจหรือคกวรรอไปเมื่อนาหือเนินจ้าหึงนาน มันทุนสารขับไว้ว่กควรยังไว้รอไปเจ้าห่อใจวิเทหาราชปังถอยวาดมันจากกรอรายืนกันดักอยู่หันตามกรรมก็มีมหนมันและนะ ธาดนั้นไปแถมเหล่าเต้าเป็นเจ้าห่อใจก็สรงปันหาไปแถมไม่ว่าให้คนน้อยใหญ่ยิ่งใจมีดวงลายจุดานอันอยู่ในบ้านป่าจินยาวามัจจาะกามหางวงงามอุสุภาราชตัวองอาจเปิงเป้าตัวมันขาวเสียงไข่มีนอกใหญ่บนหัว หากเป็นงัวพาเสิรตเขามันเกิดบนตีนเป็นงัวเจียงจินโจกลบับหุดอัววันลักสามขาเป็นทารากันสู่หาบ่อใดจุงหื้อใจสิ้นไหม เป็นคำใส่กาใหญ่นับอ่านได้ป่อปันคนซุมกันบวนหมูต่างบอกตันพระญาจริงไขจ้าบอกเราเือแก่เจ้าบุญมีนอมูนี่กินกูกออก้ก่อควัดหูบัดเดียวว่าสูจุงเร็วจูพผู้หาไก่ผู้มาปัน คนแห่งมันดันใส่ข่าวเสียงไข่ตั้งตัวตั้งเดือหัวรีพาวไปถวายเต้าสัพันเขาป้ากันซอสซหาไก่ไดดังใจ <c oughs> ก็นำไปถวายเต้าตนภาพดาวทานีเจ้าปุริทมทีว่าผู้ได้จี้ปันหมยเขาก็ถวายก้มเก่า บอกเต้าเจ้าโจภา ก, การเต้าผู้บ้านวิเตหาราชก็เรียกเสนากานักผาดมาถามว่าควรนำใจรามน้อยอ่อนมาอยู่บนหอใจหรือควรรอไปแถมเหล่าเสนา ก, กะบาปเสาปาลาก็ทุนสาขาไฟดังกาวไว้ไปหลังก็มีหันแลนะ่ะ <c oughs> ทัดนันไปแถมเหล่ามีแก้วเก่าเจ่อวิโรจนะนมาณีตีกดมีแปดแห่งงามปอแป้งเหลือตาอันคุณอินตาบุญใหญ่ ปันแก่เต้าไทยกุศลราชาสืบกันมาเนินจ้าลายเจนเจ้าฟ้าดีดีแก้วามณาีนันไซตกแก่เต้าไทยวิเทหราชา สายมันกาก้อยกาดคือพุดขาดไปในจักเอาสายใหม่ใส่ใหม่ก็ใส่บอดได้ดังไมยจักเอาสายเก่าออกก่อนอยากลําหมอกสุดวิสัยเจ้าหอใจวิเตหราชกองฮืออาบาต่างตนเรียปริรนฝังเฝ้านําไปสู่ดาวป่าจิญญาวมัดจกรรม ว่าฮือสายงามเส้นใหม่ห้อยสอดใส่ไปในเต้นสายใหม่เส้นเก่าอันขาดเล่าคำกากันพระยาบอดใบคือเยี่ยงบอดใดดังใจน้ำสินใหม่ลายหลากปั้นคำหากเป็นไมยไปยอดวายตันเต้าต้นภาพดาวปาราคนนำนาจูทานการอยู่ในบ้าน ว่าจินยาวมัดจา ก, ก้ามหันแก้งงามพอแป้งกดแปดแห่งเป็นไมยจากเอาสายใส่ใหม่ขึ้นเสียงไข่ตันพิง <c oughs> จุมใจหญิงนมเทาจริงบอกแก่เจ้าบุญภายว่าคอตนใจน้อยหนาทู่ฉลาดจบทองจุยทาริปองเกาจี เอ่แจ้งที่อาการหนอโผธิที่านบุญใหญ่ว่าจุงเอาน้ำพิ่งใส่ลงไปเอาใสายไหมเส้นไหมจุบนำพิ่งใส่ตั้งไปเอาเงือกสาเอาเงื่อนสส่นันใส่ใส่หูแก้วไว้คำกาหมดงามนำนามวนหมู สร้างควยอยู่แดนใดหือนำไปวางไวไ้ในตีไกขควยวันบ่ปวันแต่ใสจักเปลี่ยนใดดังไมย <c oughs> คนนิ้งใจดุมเท่าก็เยะตามเจ้าใค่จ่ามดงามนำนาได้ฮู้ว่านำพึ่งอยู่แดนใดก็เร็วไวหลังลู่ ไปเป็นหมูเป็นจุมเข้าแหวดซุ่มปากเต้าพองไตเข้าปายในกินสายไม่เส้นเก่าหมดเสียงเหล่าเร็วไวหลากสายไม่เส้นใหม่คือกาบได้ถอยหลังดังสอดยันใสยไม่แต่เก้าไขถึงปลายคนตั้งหลายอยู่ไกล ก็เก็บไว้เรียวไว้แล้วนำไปถวายเตา้าตนภาพดาวปุรีก็มีฮันแลนะนาทัดนันไปแถมเหล่าเตา้าเป็นเจ้าแก่รีปนก็หืงัวมงกลออสุภาราชคืองัวปูอาดงามตา กินทั่วนำนาแต่ใส่ต้องป้องใหญ่เรือผ้ามานดังหัวม่านไกล้เกิดปุ่มเอิดเยิดเดือใจแล้วส่งไปเก่าวตานแก่เจ้าบ้านป่าจิญญาวมัดจะกำว่างัวปูงามนี่เล่าจะเกิดลูกเต่าเร็วปัน จุงปะกันใจใส่ฮับหือใดเรียวไว้แล้วนำไปถวยายเต้าตนภาพดาวปารากันลูกหาบอดใดอาจยาไทายปันหมยหื้อเอาคำลายกาใหญ่นับทวนไข่ปอปัอนท้าวายเจ้าหอจันย่าจ้า อย่าล้ากว่าเจ็ดวันคนเรื่องนั้นนมเทาบอกูเก้าขีนยาก็ไข่จ้าเก่าอูบอกเจ้ากินกู่บุญมีหนอกมูนีน้อยนาดก่อคืดขวาดคันิงในว่าเจ้าห่อใจแสงสวยกวนตอบด้วยอูใยจริงสอนใจผู้นึงเล่าผู้เก่ากองดี ผููไคว่ตีตอบทอยกับเต้าอ่อนยอดซอยหอจันแล้วสรงมันรีพาวเข้าสู่ดาวเวียงใจใจเตรียมใจแก่นใจ <c oughs> แสงร้องไห้เรร้นตีโอกตนบ่อเหือรอดดังร้อนไม่เดือดเดือดลายเข้าไปท้าไหวขับไววซึ่งเต้าไทยผาป ร, รา ว่าคาแดงมาหาราชเาจา้าตนเป็นเก้าปุรีตุกขคาบีหล่แหล่ขอช่วยแกเร็วปันกันบ่นอาาตันเล่นจ้าคาเตียงความนาดีลี เจ้าปุริทำเล่าว่าดูร่าใจหนุ่มเนาไกตาตุกสังจ้าลายแหลจุงเก่าแก่มาไวใจเตรียมใจตอบตาว่าพ่อแห่งข้าประมาณ มาเมื่อ น, นานแต่เหล่าจะเกิดลูกเต้าบุตรตาเจ็บต้องนำนาแต่ใส่นับอ่านใดเจ็ดวันนอนพัดพันอุ้มต้องให้รำร้องเววาขอพระยาเจ้าฟ้าช่วยป่อขาเรียวปันเจ้าหอจันวีเตหาราชฟังถ้อยวาดมันจะายินเครื่องกาบ่อนอย ยิงตอบถอยมันไปว่าดูระใจแดนไก่ต่างบ้านมึงก่าวทานปันกูกูฟังดูแจ้งที่บอแม่นตีกรรมคน <c oughs> มึงว่าป้าตนนั่นใจมีกับพระใหญ่ประมาณพิษโบราณแบบเป้าเป็นกําเป่าได้ได้จุ้มคนใจโดอกใจจะเกิดลูกใดหรือมี เอาคำ h a n ีมากล่าวต่อนาเต้าอหอคำตดมึงนำลายลากตีแต่หากถึงตายมันก็ท้าวายก้มเขาว่าข้าแด่เต่าเจ้าเนื้อหัว นว่าตัวปอค้ า, าบ่ออาจเกิดลูกลาในตนงัวมงกลอุสุภาราชคืองวัวปูาอาจเจียงคานตาว่ามันประมาณต้องใหญ่ก็เกิดลูกบ่อได้สันเดียวนั้นเลยนะ กันมันจะาเสียงขาเต้าวีเตหราราชกา็จริงจ่าทาเล่าว่าดูราชายหนุ่มเนาแดานไกน่เป็นคนได้นันไซจำแต่งใจมึงมามันก็จะบอกเล่าแกเต้าเจ้าตามมีเจ้าปุรีฟังแล้วใจฟ่องแผ้วเหลือลายก็มีฮันเล่นะ ทัดนั้นไปบอดจ้าตนเจ้าฟ้าหอวใจก็ทรงเข้ า, ขาไปแถมเล่า ว, ว่าหนุม่มเทายิงงใจมีมากหลายจูทาน <c oughs> อันอยู่ในบ้านป่าจินยามัดจะกาามหูเข้าสม ง, งามวิเศษพร้อมด้วยเหตุเก่าผักกาด อย่าหงุดด้วยข้าวสารลายซ้ำอย่าหงุดด้วยน้ำและไฟเฮือเว้นไก่หม้อเขาอย่าหงุดด้วยกอนเศร้าและลัวลายอย่าเฮือยิงใจมาไก่ยามจักใจคนมาอย่ากไก่้าเตี้ยวต้องมาด้วยจ้องหนุต่างกันสู่วางละไว้คือเย็บบ่อได้ตามกำ จุงเอาคำกะมากปั้นหนึ่งหาเป็นหมยน้ำมาถวายแก่เต้าตนภาพดาวปาราคนนำนามวนหมูบออาจหัวตันใจจริงจะใครบอกเล่าเฮแก่เจ้าบุญมีอญ น, อ, นอมูนี้หนุ่มเนาจริงบอกเล่าอาการ ว่าอย่างหงด้วยเข้าสารนั่นใสสู่จุงใจเข้าเปลี่ยนก็ตำเปลี่ยนร้อมผ่ำลาเวนำธรรมดาเอานำเมื่อยมาแต้นเหล่าเว่นมอเข้าทรมดาเอาพาจะนะอื่นมาแตนใส่เว่นกอนสาวไววเสียไก่ปักลักไปแต้นเหล่า เว้นไฟเก่าเดิมตีเอาไม่สียกับไม่เกิดไฟใหม่มีม้าลัวนานาเว้นไว้หุงด้วยใบไม้และนะบ่อกเฮยิงใจหุงนันใส่สูจุงใจผู้เบี้ยบ่อนอกเสียกําเต้าอย่าเตียวด่านดาวตั้งลวงอันคนปันปวงหน่อยใหญ่หากเตียวไตไปมา กองโน้ยนำนาควักควายจุงก้อยไตเตียวไปกันเจ้าไข่บอกเล่าตั้งแต่เก้าสุดปลายเขาก็คงควายแต่งสร้างตามเจ้าอ้างจากไข่แล้วนำไปถวายเต้าต้มภาพดาวปุรี พระภูมิยศใหญ่หูแจง้งไขขี่าสมมนัสจาชมจื้นปีที่ตื่นเลือลายก็มีหันแน่นาทัดนั้นไปบอดเจ้าตนเจ้าฟ้าห่อใจก็ส่งปันหาไปแถมเล่า ว, ว่าหฮือสู่เจ้าตั้งลายฟันเจือกซ้สายเส้นใหม่ ถ้าวายแก่เต้าไทยผาปุรีย้อนเจือกทรายมีแต่ก่อนพุทธเป็นต้นหลายอันเอาต่อกันย่อมสั้นกำบอมันดังใจกันบ่ไหวรีพาวอาจยาเต้ามีมาหื้อเอาคำขาก่าใหญ่ไปถ้าวายเต้าไทยเร็วปัน คนซุ้มกันหลยแย่บอจางแก่สันใด้จริงจะใครบอกเล่าแกนอพระเจ้าทารงยานมะโหสถดกุมารน้อยนาจบฉลาดเลือลายจริงสอนใจแก่นใจเฮือหูไข่ความใดแล้วส่งไปขับไปซึ่งเตาไทยปาราว่าตามดังมหาราชเจ้า จนเป็นเก้าแก่ปุรีอาจยามีบอ่อจ้าฮือผู้ข้าตั้งหลายฟันเจือกสายเส้นใหม่ผู้ข้าไปหูไว่กับตาว่าเจ้าปาราญาซอยจักเอาเส้นใหญ่น้อยปั่นได้ขออตาโอหัวใจเป็นเจ้าปั่นต้นเจือกเก่าปัน่นต้นเจือกเก่าไปดู เอาไปจูต่อหน้านยามผูคาตั้งลายฟันเจือกสายเส้นใหม่จักน้อยใหญ่เสมอกันเจ้าหอจันวิเตหาราชฟังถวายวาดมัญจา ยินสังกาบอน้อยจริงเกาวทอยกำไปว่าเป็นคนใดนั่นใสสอนแต่งใจมึงมามันทุนสาบอกเราแกเต้าเจ้าตามมี เจ้าปุรียอดซอยใจจื่นจ้อยใจยบ้านว่ามะโหสถดกุ ม, มารน้อยนาทผู้ฉลาดเลือลายคนยิ่งใจน้อยใหญ่บ่อเพียบใดเตรียมตันคกวรเรียวปั้นรีพาวนำมาสู่ดาวผางกาเตา้าก็จะทาเล่าซึ่งเสนกกาคาเก้าอาจารย์มันก่อทุนสารตานกา่า ว่าบอกกวรรีภาวนำมาย้อนมันตันหาโดบใหญ่ดังกะไวาไปหลังก็มีวันนั้นแลยนะเนี่ที่ตั้งขีญาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุมาโหสดผูกทวนสี่จาโดกีบัวไข่ก้อยอดใจฟังแทง จักหูแจ้งลายผักาดวานนอปูที่ยานบุญใหญ่จบแจ้งไขสันใดกันจักไขเสียงซ้ำพงอยากนำยาควันซ้ำตะวันบายคอนจักลับหมนอนปูผาจิงคอวางละเต่าอีกอบบังคมสมฤตเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนและ